1>, 1. ลสัสนวัคสิกขาบทที่5ว่าด้วยการใช้น้ำชาระเรื่องพระนางมหาประชาบดีโคตมี810สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะนิโครทารามเขตรุ่งกบิลพั์แคว้นสักกัลครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับ ครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทแล้วยืนในที่ใต้ลมกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคมาูุคามกลิ่นไม่ดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุณีทั้งหลายจงใช้น้ำชำระทำความสะอาดทรงชี้แจงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วจากไป พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุพระสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีใช้น้ําชําระทําความสะอาดได้เรื่องพระนางมหาประชาบดีโคตมีจบเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งสมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ําชําระทําความสะอาด จึงใช้น้ำชำระทำความสะอาดลึกเกินไปทำให้เกิดแผลขึ้นที่องค์กำเนิดครั้งนั้นเธอบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากรรันปณิประนามโพลธนาว่าฉนัยภิกษุณีใช้น้ำชำระทำความสะอาดลึกเกินไปเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ พวกพิสูจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทสสรงทราบ